มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งนะใกล้จบแลแล้วก็ตามหลักสูตรก็ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยนะจะได้ เ, เป็นการฝึกงานแล้วก็เป็นการช่วยอาจารย์แพทย์ด้วยก็ได้ีวันหนึ่งเธอก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยตอนกลางคืนนะเพราะเป็นเวรดึกก็ได้ยินเสียงขย่าเตียงก็เลยเดยินไปที่ต้นเสียงนะผู้ป่วยนี่ก็เป็นคุณยายนะ เป็นชาวบ้านแล้วก็มีพ่อนะช่วยหายใจนะสอดเข้าไปที่ปากแล้วก็แขนนี้ก็ถูกมัดเอาไว้ทั้งสองข้างเลยจะขยาวนะตั้งแต่หัวค่ำแล้วพยาบาลบอกขยาวอยู่เป็นระยะระยะอ่านะ นักศึกษาแพทย์หรือหมอเนี่ยก็เลยไปคุยด้วยแล้วก็ถามว่ายายหายใจไม่ออกเหรอแกก็สายหัวยายเหนื่อยเหรอแกก็สายหัวนี่แล้วยายเป็นอะไรนะทำไมยายถึงเขย่าเตียงพอไปเห็นมือที่ถูกมัดเนี่ยก็เลยถามยายว่า อยากยายอยากจะให้แกผ้าที่มัดอยู่ใช่ไหมครานี้แกหยุดเขย่าเตียงแล้วสแสดงว่าเป็นคําถามที่ถูกใจยายลาคาญใช่ไหมครานี้แกยายนี่พยักหน้าเลยนะลำคานไม่ได้ลาคาญท่อนะที่ช่วยหายใจนะแต่ว่าลาคานมือที่ถูกมัดกันมั้ง เลือกจะทั้งสองอย่างก็ได้น้าสาแพทย์ก็บอกว่ายายแก่ผ้าที่มัดมือยายไม่ได้นะเพราะถ้าแก่แล้วเนี่ยยายก็จะนะเผลอดึงท่อเนี่ยออกมาแล้วเวลาใส่เนี่ยเวลาใส่กลับไปใหม่เนี่ยมันเจ็บใช่ไหมยายแก่ก็พยักหน้ามันเจ็บ แกพูดไม่ได้เพราะว่าท่อมันคาปากอยู่นักศึกษาวเลยบอกว่างั้นเนี่ยหนูแกะผ้าให้ยายไม่ได้นะมียายไม่พอใจเนะขาเหยาเตียงใหญ่เลยเขยา่าเขยา่านักษาก็เลยบอกว่ายายตอนนี้มันดึกแล้วนะคนอื่นเขา น, นอนกันหมดแล้วยายอย่าเขย่าเลยนะยายก็ไม่ฟังนะเขยา่าเขย่าว นักศึกษาแพทย์ไม่รู้ทำไงนะก็เลยดึงมือยายเนี่ยมากลุ่มไว้กลุ่มไว้กับมือของเธอนะแล้วก็ก็สังเกตนะยายนี่นะมองไปที่มาสบตาของนักศึกษานักศึกษาก็เลยนะสบตายายและระหว่างที่สบตาอยู่เนี่ยก็สังเกตนะ เห็นอะไรบางอย่างในแววตาของยายมันเป็นแววตาที่เศร้าส้อยเดียวดายก็เลยถามยายว่ายายเหงาใช่ไหมหยุดพยักหน้าเลยนะเพราะว่าไม่มีใครมาเยี่ยมยายเลยไม่มีญาติไม่มีใครมาเยี่ยมยายเลยยายก็เลยเหงา พอนักสัตวแพทย์ถามยยายรีบตอบเลยนะเหงานักษาทํางานนักศึกษาก็บอกว่างั้นหนูจะอยู่เป็นเพื่อนยายน ะ, ะบอกว่ายายนี่เลิกเขย่าเตียงเลยแล้วนักศึษาก็เลยอยู่กับยายเนี่ยเป็นเพื่อนยายเป็นคุยกับยายเนี่ยยาวเลยนะในขณะที่มือของยายนี่ก็กุมมือของนักสัษาแพทย์เอาไว้ ก็กลุ่มแน่นเลยนะนักษาก็เลยอยู่กับยายนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็นานทีเดียวจนรทั้งได้เวลานะที่จะต้องนะกลับละเพราะว่ามันหมดเวลแล้วก็เลยบอกกับยายว่ายายตอนที่มันดึกแล้วนะหนูจะต้องกลับแล้วละพอนักศาเนี่ยนะดึงมือออกจากยาย เอาจากมือของยายแล้วก็เดินนะไปที่ประตูยายขี้ยาใหญเลยนะขียาวสุดท้ายนักศึกษากเลยต้องกลับมาหายายแล้วก็บอกว่ายายอยากขย้ยาวเลยนะเพราะว่าคุณี่เขาหลับกันหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาเยี่ยมยายใหม่แล้วจะมาอยู่เป็นเพื่อนยายคราวนี้ ยายเชื่อนะยายไม่เคยเหยาเตียงแล้วแล้วก็นักศึกษาก็เดินนะไปที่ประตูก็ไม่มีเสียงเยหยาเตียงคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยยายก็ไม่ได้เยหยานะจากนั้นที่มือก็ยังถูกมัดนะท่อก็ยังอยู่ในปากแต่ไม่เคยเหยาแล้วรุ่งเช้านี้นักศึกษาก็กลับมานะแล้วก็ มาคุยกับยายมาอยู่เป็นเพื่อนยายตามที่รับปากใ้ยาย ก, ก็ไม่ขยเหอีกเลยให้ตอนหลังเนี่ยก็มีนาาักสษาแพทย์และคนอื่นเนี่ยมาเวลามาตรวจคนไข้เนี่ยแล้วก็ถ้ามาคุยกับยายอยู่เป็นเพื่อนยายยายก็ไม่ขยเหนะ แต่ถ้าว่าอยู่คนเดียวเมื่อไรนี้แกก็จะขยเวี่ยแต่ตหลังก็ขยเวี่ยน้อยลงนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเริ่มจะหายเหงาแล้วเพราะว่ามีนักศึกษาแพทย์มีใครต่อใครมาคุยด้วยอันนี้เนี่ยมันมันเชืเ่นเลยนะว่าคนไข้เนี่ยความทุกข์ของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์กายนะ แต่เป็นความทุกข์ใจไอที่เข้าขย่าเตียงเนี่ยไม่ใช่ว่าหายใจไม่ออกไม่ใช่เพราะว่าปวดเมื่อยหรือว่าเจ็บแต่เป็นเพราะว่าในใจนี่มันเหงาเป็นเรื่องใจล้วนๆเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของกายเลยแต่พอหายเหงาเพราะมีคนมาเยี่ยมเพราะมีคนมาให้ความใส่ใจเพราะมีคนมารับฟังความทุกข์ โดยพรมีคนมาสัมผัสนะกอบกลุ่มมือของผู้ป่วยด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนมีเมตตาด้วยความเห็นใจเนี่ยพวกมันช่วยคนไข้ได้เยอะนักศึกษาคนเนี้ยก็เลยรู้ว่าเนี่ยการสัมผัสเนี่ยอย่างอ่อนโยนเช่นการกอบกลุ่มมื อ, อไว้แล้วก็การแค่อยู่นิ่งๆเป็นเพื่อน แค่เป็นเพื่อนแม้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ให้ยาไม่ได้ทำอัตการอะไรเล ย, เลยโอ้มันช่วยคนไข้ได้ไม่น้อยเลยจากคนไข้ที่มีความทุกข์มากนะจงนั่งเขย่าเตียงก็กลายเป็นสงบไปมือยังถูกมัดอยู่นะข้อก็ยังอยู่ในปากแต่ว่าพอใจเนี่ยมันรู้สึกหายเหงามีเพื่อนว่ามันรู้สึกสบายขึ้นมากเลย อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่นักสาแพะค์คนี้เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้มากเลยนะว่าสิ่งที่สิ่งที่แพทย์จะช่วยคนไข้ได้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การให้ยาหรือทำหัตการแต่แค่การใส่ใจอยากรับฟังอยากอยู่เป็นเพื่อนหรือทงการสัมผัสนะ โดยการกลุ้มมือเนี่ยโอ้มันช่วยคนไข้ได้เยอะมันไม่ได้ช่วยทางกายโดยตรงนะแต่มันช่วยด้านจิตใจแล้วก็มีผลต่อ ก, กายด้วยคนไข้เนี่ยถ้าไม่ถูกความเหงานะรังควานนะมันก็ร่างกายเขก็จะฟื้นตัวได้เร็วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไข้จํานวนมากเนี่ยนะจะมี ความทุกเพรเห็นนี้มากเพราะว่าแต่ก่อนเวลาป่วยนี่เขาป่วยแล้วรักษาตัวที่บ้านอยู่บ้านก็มีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีลูกหลานญาติพี่น้องมาเยี่ยมให้กําลังใจยาอาจจะไม่พออาจจะไม่ดีนะแต่ว่าใจเนี่ยเรียกว่าไม่รู้สึกเหงาเลยแต่พอมาอยู่โรงพยาบาลนี่แม้ว่าจะมียามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะแต่ว่า เงาเพราะว่าลูกหลานมาเยี่ยมลำบากหรือบางทีไม่ไม่มีมาเยี่ยมเลยเพราะว่ายายอยู่บ้านคนเดียวเวลาป่วยก็ต้องรักษาตัวคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่คนป่วยนะแม้ไม่ป่วยเนี่ยแต่อยู่บ้านคนเดียวก็เงานะเพราะคนใจเดี๋ยวนี้นี่เงามากเพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านอย่างน้อยก็เวลากลางวัน ก็คือลูกหลานอาจจะกลับบ้านแต่ว่าตอนเช้าตอนกลางวันเหงาพอเหงาแล้วเนี่ยสุขภาพก็เริ่มแย่ยิ่งผู้ครองเช่นสามีภรรยาเกิดตายขึ้นมาตรองอยู่บ้านคนเดียวหรือแม้จะอยู่กับลูกแต่ลูกก็ไม่ค่อยมีเวลามาให้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนแก่จำนวนมากในเวลานี้ ทั้งในยามที่ไม่ป่วยแล้วก็ยามป่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกหลานนี้เข้าใจนะก็พยายามเยียวยาบำรุงจิตใจด้วยการให้ความสำคัญมาอยู่เป็นเพื่อนให้เวลาสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายก็จะดีขึ้นแล้วก็ตามนะจะหวังพึ่งคนข้างนอกอย่างเดียวก็ไม่พอนะบางทีเราก็ต้องฝึกใจด้วยนะให้อยู่กับตัวเองให้ได้ให้อยู่กับตัวเองให้ได้นะ มันก็เหงาน้อยลงเพราะว่ามีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกกันนะจะได้พอแก่แล้วแม้จะไม่มีลูกหลานมาอยู่รอบตัวแต่ก็ไม่เหงานะแม้จะทำงานทำการไม่ค่อยได้ก็ไม่เหงาหรือแม้จะป่วยติดเตียงความเหงาก็ไม่รบกวนมากเพราะว่าอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัว วันนี้เป็นเพื่อนที่วิเศษเลยนะสำหรับคนไม่ว่าในยุคใดก็ตาม